ฝากให้รัฐบาลนำไปพิจารณาอัตมาจะพูดอย่างความคิดพระเดอ้อประเทศไทยเราเนี่ยจะให้มันสงบเรียบร้อยประการแรกปราบอิทธิพลของนายทุนประการที่สองปราบโจรผู้ร้ายประการที่สามให้การศึกษาแก่กุลบุตรให้เต็มที่ประการที่สี่ ออกกฎหมายบังคับให้ราษฎรทำอยู่ทำกินใครไม่มีที่ดินแจกให้มันไม่มีน้ำมีท่าหาให้มันอันเนี้ยชนะระทานไปทำไว้ให้ตั้งบเบลเบราหลวงพ่อไปเที่ยวดูจะหาสวนผักสักที่หนึง่งไม่มีเลยเดี๋ยวนี้อุตสาหากรรมประจำครอบครัวกสิกรรมประจำครอบครัวมันทิ้งกันหมดทำสวนผักเลี้ยงสัตว์ ทำไร่ทำนามันขายนาไปซื้อรถยนต์หมดละพวกเนี้ยควรจะออกกฎหมายบังคับเผด็จการกับมันในตอนที่เรารเผด็จการกับมันเนี้ยมันจะด่าเราโป้งโป้งปงทีนี้พอมันทําได้ผลแล้วเขาจะบอกว่าโอ้ดีเนาะรัฐบาลท่านอันนี้นักการเมืองมันกลัวแต่จะเสียคะแนนเสียงมันไม่กล้าทำอะไรรุนแรงลงไปก็บังคับให้เขาได้ดีเนี่ย เขาจะไปว่าอะไรลูกเราเรียนหนังสือมันขี้เกียจเรายัางเคียนเอานี่ธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้เรามีนักวิชาการมีนักสารพัดยังไม่เพียงพอยังจ้างนักวิชาการต่างประเทศมาช่วยเราอีกแต่เสร็จแล้วเราทำอะไรไม่ได้นักการเมืองนี่แหละไปเที่ยวหายุ่งกับข้าราชการประจำสมมุติว่าเราเป็นหัวหน้า ลูกน้องเราทำผิดเราจะลงโทษมันวิ่งไปหานายมันโนนคำสั่งกระโดดปุ๊บลงมาเรากระดิกหัวไม่ได้เลยทําไมพระอยู่ในวัดถึงได้รู้เรื่องทำไมจะไม่รู้รู้กระทั่งเวลาเขาจับปฏิวัติพระเนี่ยเขามาหาเลิกหายามไงแล้วทีเนี้ยผู้เล็กผู้น้อยมันทุกมันยากมันถูกบีบมันก็มาระบายให้พระฟัง มันเห็นว่าพระเนี่ยนินทาใครไม่เป็นถ้าไปพูดให้คนอื่นฟังเดี๋ยวจะไปฟ้องนายมันยิ่งจะโดนหนักเข้าเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกพระนะว่าพระไม่รู้